พอดกฐินเสร็จแล้วพระเยอะละ้ช่วงพรรษาพระน้อยหน่อยสอนโยมได้เยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้พระบ้างพระมายากไปโยมนะพระเดินทางยากขึ้นรถเมล์เขาก็ไม่ชอบนะลําบากเลยต้องแบ่งเวลาให้พระท่านบ้างพระมาลําบากถ้าใครอิจฉาก็ไม่ยากนะก็มาบวชซนะแล้ว มีเรียนอนอกรอบแบบนี้ได้มาเรียนธรรมะนะเอาให้ได้ของจริงคนจริงก็ได้ของจริงทำเล่นๆไม่ได้จริงไม่ได้ของจริงอย่างหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่ออึดทนมากเลยในการฝึกตัวเองความยากลำบากของการภาวนานะ มีสองส่วนใหญ่ๆอันแรกภาวนาให้ถูกกว่าจะได้หลักของการภาวนาเนี่ยโหยากแต่พอได้หลักแล้วมันไม่ยากความยากกลับไปอยู่ที่ว่าทำยังไงจะให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทำทาหยุดหยุดจุดอ่อนของคารวะาเนี่ยขอแรกไม่มีนะอแรกไอ้ที่ว่าจะทำให้ถูกเนี่ยถ้าเป็นคารวะาถ้าฟังนะ ได้ฟังทำก็ทำได้ถูกเหมือนกันแนะแต่คาราวาเสียเปรียบพระเสียเปรียบนักบวชในเรื่องความต่อเรื่องถ้าพระภาวนาเช้าไปบินทบทัติจะได้ภาวนาละตื่นนอนมาก็ภาวนาทำวัดสวดมนต์ก็ภาวนาเดินบินทบาตก็ภาวนาฉันข้าวก็ภาวนานะถ้าไม่ต้องยุ่งกับโยมเนี่ยภาวนาได้ทั้งวันเลยฉันเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อ <น> <c oughs> แล้วภาวนานำได้ทั้งวันงันเป็นเพศที่เหมาะกับการภาวนา <c oughs> คารวาตเนี่ยความฉลาดอะไรต่ออะไรไม่แพ้พระหรอกแล้วยิ่งคารวาตสมัยใหม่นะเทียบกับพระแล้วก็ความรู้พื้นฐา น, นสูบบ่าด้วยซ้ำไปวความรู้ความสามารถไม่ไม่น้อยแต่ขี้เกียจ ชอบปลัดมันประกันพรุ่ง okay. เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะบางคนปลัดนานนะไม่ใช่ว่าอีกสองวันจะทำนะบางคนบอกเอาอายุห้าสิบแล้วจะภาวนาไม่ทันกินหรอกกว่าจะอายุถึงห้าสิบนะนิสัยชั่วไปเยอะล้จิตถ้าไม่ฝึกนะมันจะไหลลงต่ำตลอดเวลาเลยงันพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังหนุ่มยังสาวนะ คนหนุ่มคนสาวนะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแข็งแรงสติปัญญาก็แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงถ้าเอาทรัพยากรที่ดีที่สุดของชีวิตเนี้มาใช้ภาวนานะก็จะไปได้เยอะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อท่านท่านเคยพูดให้ฟังบอกว่าเวลาคนก็จะทําบุญนะก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดไปทําบุญใช่ไหม ถึงจะได้บุญมากชีวิตในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดเลยเอาส่วนนี้แหละมาถวายพระมาภาวนานท่านสอนอย่างนี้นะบอกแก่มากแล้วคล้ายๆทรัพยากรของเราไม่ค่อยดีละวกับข้าวใกล้จะบูญละเอามาใส่บาตรนะมันก็ได้บุญเหมือนกันนะมันก็ได้กับล่องกับแกลงไปอันนี้ไม่ได้ว่าคนแก่ไม่ดีคนแก่ ถึงภาวนาเริ่มภาวนาเมื่อแก่แล้วก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยนะในสมัยพุทธกาลก็มีขอทานสองคนสามีภันยาพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้ดูตอนนั้นท่านก็คงแก่มากแล้วพุทธเจ้าอะ่ะท่านเห็นขอทานนี้ตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวท่านบอกว่าถ้าคู่นี้มาเรียนธรรมะตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวนะจะเป็นพระอรหันต์พออายุเยอะขึ้นหน่อยบถ้ามาบวชตอนนี้จะได้พานาคาแล้วลดลงเรื่อยเื่นะ พอแก่ลงมาทรัพย์สมบัติมอดวายหมดแล้วไปใช้ชีวิตด้วยความประมาทเป็นขอทานอยู่ท่าบอกว่าตอนนี้ไม่สำเร็จอะไรเลยบวชก็ไม่ได้อะไรละทรัพยากรไม่มีเหลือเลยคือใจเนี้ยมันหลงโลกมานานไม่มีพลังพอที่จะยกตัว take off เทคออฟขึ้นมาไม่มีทางแล้วยังพวกเราไม่ประมาทว่ายัางหนุ่มย่างสาวยังไม่ต้องภาวนานะะปล่อยเวลาผ่านใจเรื่อยๆไม่ดีเลย อย่าหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งเหลวงพ่ออึดนะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7จขวบไม่มีวันไหนที่ไม่ภาวนาไม่มีเลยวั น, วนที่ไม่ภาวนาภาวนาทุกวันแต่ตั้งแต่7จขวบทําแต่สมถะทําวิปัสนาไม่เป็นไม่รู้จักคําว่าวิปัสนาหรอกสมถะก็ไม่รู้จักนะรู้แต่ว่าภาวนารู้แต่คําว่าภาวนาให้ภาวนาไม่รู้หรอกภาวนามีสองอันสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนา ภาวนาไปว่าจเจริญเจริญอะไรจะเจริญสติจเจริญปัญญาไม่รู้เรื่องเลยครนะูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเขาทำมันทุกวันนะทําตั้งแต่เจ็ดขวบไม่ก็มีเลิกเลยตอนเด็กๆทําง่ายหายใจเข้าพุทออกโทนะัอยู่ไม่กี่วันหรอกจําไม่ได้ว่ากี่วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนั้นสองสามวันอนะไรอย่างเงี้ยจิตจรวมแนละ้วสว่างขึ้นมา อันนี้ภาพสว่างแล้วเราไม่รู้ทางไปนะมัวจะไปดูที่สว่างไปดูสว่างแลคราวนี้ไปข้างนอกเลยลวความสว่างมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันจะสว่างอยู่ข้างหน้าความจริงไม่มีอะไรหรอกเวลาจิตสงบเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้เยอะมันจะให้ความรู้สึกสว่างสวัยปโปร่งเบานี่เราไปดูดวงสว่างข้างหน้าเนี่อันนี้ไปเลยออกนอก ใจอยากจะไปเที่ยวไหนนะไปสวรรค์ไปอะไรไปนี่ถ้าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านจะรักมากเลยพาเที่ยวตั้งแต่เล็กนะเที่ยวไปเที่ยวไปเราวัดมันก็มานึกนะเราไปเห็นเทวดาก็ดีนะแต่เราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้แต่ถ้าเราพลาดพลั้งไปเห็นผีเราจะทําไงกลัวผีตั้งแต่คิดถึงว่าจะออกไปข้างนอกแล้วอาจจะไปเจอผีเข้าเนี่ยกลัวไม่ยอมให้ออกนอก งั้นเวลาภาวนานะพอใจมจะเคลิ้มไปกับความสว่างนะแล้วก็จะเปลี่ยนจังหวะหายใจรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาไม่รู้นะว่านั่นกำลังฝึกที่จะให้รู้สึกตัวเนะี่ยทำมาแบบเด็กๆง่ o ไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยแจิตมันเดินเข้าร่องของการปฏิบัติมาเป็นลำดับลาดับนะคงเคยทำมามั้งนะตอนสักสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะกำลังเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้าน บ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้อยู่ตึกข้างๆกันห้องข้างๆกันตกใจนะว่าลูกหินเน็นยไหมไม่ขาดสติหไหมหัวงอนะ <c oughs> ไม่มีวิ่งหนีแล้วทิ้งลูกหินไปไม่มีกว้าก่อนเลยแล้วก็วิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้วิ่งไปก้าวที่หนึ่งสองสามถึงก้าวที่สานี่นะจิตตืน่นพรวดขึ้นมาเลยมันไปเห็นความตกใจคนระับ หเห็นความตกใจความตกใจก็ดับจิตก็ตื่นขึ้นมานี่ตื่นครั้งแรกในชีวิตนะท่านภาวนาทําสมถะมามา3ปีแล้วจิตไม่ตื่นจริงได้สงบอยู่เฉยๆสว่าง ๆ, างๆอยู่จิตตื่นแล้วก็ต่อไม่เป็นไม่รู้ว่าทางเดินต่อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยธรรมะสอนเรามาเป็นลําดับลำดับนะที่แรกสอนไม่ให้ออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นข้างนอกนี่ธรรมะสอนโดยการให้เรากลัวผี สมาทารมาก็สอนให้เรารู้จักภาวะแห่งความตื่นมีทั้งโยมทั้งพระเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆไปว่าตอนเด็กๆมีเรื่องริดที่แรงๆเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ตะกูลแรงๆพวกกลัวพวกอะไรเงี้ยที่มันรุนแรงจิตจะไปเห็นความกลัวเข้า้จิตจะตื่นขึ้นมามีหลายองค์หลายท่านนีพจิตตื่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทาไงต่อนะ ก็เดินไปบอกพ่อว่าไฟไหม้คราวนี้ยืนดูผู้ใหญ่เขาตื่นบ้างตื่นเต้นนะไม่ใช่ตื่นจิตตื่นวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เดินอยู่เฉยๆนะไม่กลัวไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยอยู่พักหนึ่งไนอะความรู้สึกตัวนี้หายไปก็ลืมไปอีกเนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันผุดขึ้นมาให้ดูนะแต่เราทรงจําไว้ไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันสําคัญก็ทิ้งมันไปเลยไม่รู้ว่าสําคัญนะเพราะานา หายใจเข้าพูดออกโทอย่างเก่าต่อไปอีกเพียงแต่ว่าไม่ให้ขาดสติเราไม่รู้นะว่านี่คือการฝึกไม่ให้ขาดสติฝึกให้มีสติรู้ลมหายใจอยู่ก็ฝึกอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เห็นมันจะดีขึ้นมาเลยเวลาผ่านมาทั้งหมด22ปี22ปีนี่ได้เจอหลวงปูดด่ดุลนที่ไปเจอหลวงปู่ ด, ดุลนได้นะเพราะว่าตอนนั้นไปเช่าเรืยนหลวงปู่แหวนมาอันหนึ่ง ตั้งห0ิบาทเนี่ยเขาจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์วัดดอยแม่ปังอันเบลโลเลยเหรอันเดียวก็สะใจแล้วใหญ่มีเหรียญหนึ่งเหรียญนะเดินเดินไปที่แผงหนังสืออุ๊ยเขามีทมเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนด้วยดูสิไม่ได้เจียมตัวเลยนะมีอันเดียวต้องมีทมเนียบรุ่นด้วยของวัดสมพันตวงเขาทาให้มาไปซื้อมานหนังสือบางเฉียบเลยบาง กระดาษก็กระดาษรูปธรรมดานะเหลืองอ้อยในตอ น, น, อนะ น, นอ เ, เนี้ยกรอบๆแล้วหนังสือเล่มนี้ยทําให้คนสามคนไปหาหลวงปู่ดุลคือหลวงพ่อนะกับเพื่อนอีกคนพงเชษนะ์อีกคนคือท่านอาจารย์สุจินนะสามคนหนังสือเล่มเนี้ยเห็นว่าหนังสือทำเนียยรุ่นนะดูไม่น่าสนใจเลยแถมรุ่นหลวงปู่แหวนด้วยไม่ใช่รุ่นหลวงปู่ดุลนะ เขาพิมพ์ไปแล้วเขาเหลือพื้นที่ขนาดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงเขาเอาอาริยาศาสตร์แห่งจิตมาลงไปอ่านตอนนั้นมันประมาณปีสองสไปอ่านมีอริยาศาสตร์แห่งจิตโดยพระรัตนากรวิสุทธ์เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ใส่ชื่อรัตนากรวิสุทธ์จริงๆช่วงนั้นโลวงปุ่ดูลไม่ใช่รัตนากรวิสุทธ์นะเป็นราษฎุทธ า, าร์จันเป็นเรื่องยศละเรื่องสมณศาักดิ์ นังสือนเขียนไว้หน่อยเดียว น, นะบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจมแ้งเป็นนิโรธอัหนึ่งเนี่ยมีบทที่สองนะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมดาของจิตเนี่ยย่อมส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็วเพิ่อมวันไหวตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็วเพิ่อมวันไหวเป็นทุกข์เห็นไหมออกนอกเฉยๆไม่เป็นไรนะ เนี่ยท่านขยายความแล้วออกนอกแล้วจิตมีธรรมชาติออกนอกทำไงี้จิตมีธรรมชาติออกนอ ก, รร อ, อ, ก, น อ, กออกนอกแล้วก็เพื่อมั่นไหวนะเป็นสมุทยัยผลที่จิตออกนอกแล้วก็เพื่อมั่นไหวเป็นทุกข์เนี่ยจิตส่งออกนอกนั้นจะมีสติมีสติอยู่นะไม่ก็เพื่อไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นเป็นมรรคผลมันเป็นนิโรธตอนอย่างนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่สรุปตอนท้ายด้วย มีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหวก็นะ เ, เป็นวิหารธรรมอยู่อย่างเนี้ยจําประโยคคํานึง่งไม่ได้หายไปคํานึงไปหาอ่านนะหลวงพ่อเคยเขียนไว้ในหนังสือวิมุตติปฏิปทาหนังสือมาอ่านนะโอ้แปลกตอนท้ายท่านลงว่าทีแรกท่านบอกว่าจิตสออกนอกเป็นสมุทยัยนะต่อมาท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยสออกนอก สุดท้ายท่านบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กับเพื่อนบันไบทถ้าจะพูดซื่อเลยตรงไปตรงมาคือพระอรหรันเนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กับเพื่อนบันไหว์ถามว่าท่านบอกว่าจิตธรรมชาติมันต้องส่งออกนอกไปรับอารมณ์ทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจไม่พระอรหรันไม่ออกนอกรับพระอรหันไม่รู้อารมณ์ทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจหรือไม่ใช่ในจิตพระอรหรันนั้นมันใหญ่ครอบโลกมันเต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่แล้ว ไม่ต้องวิ่งไปไหนนะอยู่ตรงไหนมนก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยมันไม่ใช่อย่างของเรานะจิตเราเล็กๆรู้สึกไหมจิตเรามีดวงเล็กๆนะั้นวิ่งไปวิ่งมาหาธรรมน์นาใหม่ๆรู้สึกไหมจิตเท่าเม็ดทรายเท mm hmm. ่าดาวเล็กๆเองนะวิ่งไปวิ่งมาพอฝึกไปค่อยโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นสว่างใหญ่ขึ้นใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือสิมีไหมมีเหมือนกันพวกที่ลังเลเนี่ยเยอะมากเลยมีไม่กว่าโถเอ้ยตัวเองมีไม่มีไม่รู้เลย พวกมีดีแล้วไม่รู้ว่ามีนะพวกไม่เอาไหนในยิ่งฝึกไปนะมอนเหมือนจิตค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่มากๆเวลาทรงฌานถ้าถึงเรียกมหาคตาจิตจิตใหญ่จิตมันใหญ่ดวงโตเท่าล้อเปลี่ยนอะไรงี้ใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ, ๆแต่ว่ามีเปลือกหุ้มในมีเปลือกหุ้มมีขอบมีเขตนะมีจุดมีดวงมีที่ตั้ง วิ่งไปวิ่งมาได้ถ้าภาวนาจนถึงขั้นปล่อยวางจิตนะเปลือกที่หุ้มอยู่คืออาสวะกิเลสเนี่ยจะแตกถูกทําลายนะอาสวะนี้ก็แปลกนะต้องทําลาย4ครั้งครั้งที่1แตกเปรี้ยวออกไปนะกลับมารวมใหม่เลยเข้ามาปิดใหม่ครั้งที่2แตกอีกเข้ามาปิดใหม่อีกในครั้งที่4แตกแล้วแตกเลยนะกระจายกรจายสลายตัวไปเลยนะจิตคือธรรมชาติกลืนเข้าเป็นสิ่งเดียวกันในหลวงปู่ดูลเคยสอนไว้นะ บอกว่าถ้าภาวนาจะวันที่จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวรวดเลยจะเข้าใจธรรมะชั้นสูงของเราตอนนี้จิตกับธรรมชาติแยกส่วนกันรู้สึกไหมจิตส่วนจิตธรรมชาติส่วนธรรมชาติใช่ไหมสิ่งที่เป็นธรรมชาติคืออะไรขันห้าจีกับขันห้ายังแยกกันอยู่รู้สึกไหมถ้าภาวนาไม่เป็ น, นจิตไปรวมกับขันห้าหนักเข้าอีก <laughs> แต่ว่าจิตกับทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่โคนละนกันรู้สึกไหมอันนี้รู้สึกง่ายพอมาถึงจิตกับขันห้าเนี่ยนะต้องฝึกไปช่วงหนึ่งหัดเจริญปัญญาไปช่วงถึงจะเห็นจิตกับขันห้าแยกกันโคละส่วนกันทีแรกคนทั่วๆไปจิตกับขันห้ามันเป็นอันเดียวกันรวมอยู่ด้วยกันพอเรามาหัดภาวนานะจิตกับขันห้าแยกออกจากกันสุดท้ายนีจิตกับขันห้ารวมเข้าด้วยกันอีกนะแล้วรวมเข้ากับโลกด้วยเป็นอันเดียวกันหมดเลย กลมกลืนเข้าด้วยกันหมดเลยแต่มันกลมกลืนแล้วแบบกลมกลืนแบบแปลกๆไม่ได้กลมกลืนแบบไปแบกไปหามไหมมันเป็นว่างมันว่างไปหมดเลยว่างรวมกับว่างทั้งหลายนะความว่างทางตาความว่างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่รวมเข้ากับความว่างของจักรวาลเป็นหนึ่งในหลวงปู่ดูลบอกว่าอันนี้เรียกว่านิพานอันนี้สำนวนหลวงปู่ดูลนะในอภิธรรมไม่มี ในพระไตรปิฎกไม่มีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปคนตาราแล้วบอกไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละก็ฟนะังไว้ผู้เท่าสอนมาอย่างนี้นะก็บอกต่อให้แล้วแต่บูญรวาสนาเนาะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันไม่รู้จะทำไง <laughs> เนี่ยพอไปอ่านอริยาศาสตร์แห่งจิตครับมันปิ้งขึ้นมานะว่าเออ จิตโหกนอกเป็นสมุทยัยจิตเห็นจิตแดงแฉมแจ้งเป็นมรคนะก็ะจริงนะถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์นี่มันเกิดเข้าใจตรงนี้ขึ้นมานะเพราพระองค์นี้สอนแปลกองค์อื่นนะท่านสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านสอนพุทโธพิจารณกายนะมีหลวงปูดด่ดูลเนี่ยพระรัตนกรวิสุทธินี่ใครก็ไม่รู้สอนเรื่องจิตเรากลับเห็นจริงนะว่าถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์ คิดอย่างนี้แต่ว่าเที่ยวไปถามคนนะถามคนว่ารู้จักไหมพระรัตนกรี่สุดเนี่ยถามอยู่พักหนึ่งนะก็มีคนมาบอกว่านี่ชื่อหลวงปู่ดูลนะแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นพอได้ยินนะแล้วเราก็ท้อแท้ใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังเผาไปแล้วเลยแล้วหลวงปู่ดูลจะไปอยู่ที่ไหนนี่ก็หลวงปู่ดูนอยู่วัดบูรพารามสิเราไม่รู้นะเมื่อผ่านมาอีกนะ ข้ามปีนะมาถึงปีสองห้าต้นปีคนมาบอกว่า้ท่านยังอยู่นะนชื่อราดบุษธทธาจารย์เลยห า, ารัตนกรไม่เจอก็ขึ้นรถไฟไปหาท่านไปเรียนท่านสอนให้ดูจิตท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองได้ยินว่าอ่านจิตตนเองนะเหมือนมันปลืม้ม นี่ท่านพูดด้วยแล้วท่านไปหาท่านนะเข้าไปกราบท่านนะท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะท่านออกมานั่งเก้าอี้โยกหนั่งกุฏิท่านที่จริงท่านออกมาตามเราปอดตอนนั้นปอดทงชีพ ท, ที่ปอดเพราะว่าเเราไม่คุ้นกับพระเลยนะไม่ได้เข้าไปหาพระนาะนบวชวัดชนประธานนี่ก็พระแบบที่รู้จักนะพระบ้าน พระกรรมฐานเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนี่สัยใจคอไงไม่รู้เคยอ่านแต่หนังสือว่าบางองดุล้วก็ได้ยินอย่างนี้เรากลัวดุผับก็ไม่รู้นะจดจดจ้องจ้องนะไม่กล้าเข้ากุฏิท่านท่านเลยออกมาเองนะเดินออกมามาชะโนกดูต <c oughs> อนนี้ไปอยู่อีกตึกหนึ่งไม่อยู่หน้ากุฏินะปลอดมากเลยปลอดฉีกพอ <c oughs> ท่านมาชะงนกมองก็เลยเข้าไปกราบท่านท่านก็ถอยไปนั่งเก้าอี้ยก หลวงปู่ผมอยากปฏิบัติยังไม่ทันจะพูดเลยนะแล้วก็นั่งหลับตาแล้วหลวงปู่หลับตาเข้าวชานะมัง้งนานนะเกือบชั่วโมงเลยสงสัยหลวงปู่แก่มากแนะล้วหลวงปู่เพิ่งชันข้าวเสร็จหลับไปแล้วไม่ยอมสอนเราแล้วหนานนะเกือบชั่วโมงเนะี่ยลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินะั้ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตอนนั้นฟังแม่ไม่เก็ตนะทําไมท่านรู้ว่าเราอ่านหนังสือมามากก็ไม่รู้นริจริงอ่านพระไตรปิฎกมาอ่านเยอะเลยอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิตอริยสัจแห่งจิตก็พ้นทุกข์นะนี้ท่านไม่ได้แจ้งไอ่ง เพียงแต่ท่านบอกว่าให้อ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่ง อ, อนอกเป็นทุกข์ท่านสอนเหมือนในหนังสือเลยล่ะงั้นที่ไปหาท่านเนี่ยนะได้คํามาว่าให้มาอ่านจิตตนเองส่วนเรื่องอริยศาสตร์แห่งจิตนะั้นเหมือนที่อ่านมาแล้วจากหนังสือทำเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนท่านถามเข้าใจไหมปลื้มนะเหมือนที่พวกเราคุยกับหลวงพ่อทุกวันเนี้ย เวลามาถามหลวงพ่อนะพอยกมือได้ไม่ค่อยเป็นบรรทุนมันานละใจ <c oughs> ตื่นเต้นถามไปนะบงทีถามไม่คนละเรื่องกับที่เตรียมไว้นะเราก็ต้องโยงกลับเข้ามาในเรื่องที่ควรจะถามอย่างเงี้ยถามเสร็จตอบให้นะจําไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยกลับบ้านไปถามเพื่อนเธอหลวงพ่อว่าไง <c oughs> อัดไว้หรือเปล่านะไม่รู้เรื่องเลย ตอนนั้นหลวงพ่อก็เป็นนะไม่ใช่เป็นแต่พวกเราหรอกไอ้เรื่องหลอยั่วอย่างที่พวกเราเป็นหลวงพเป็นมาแล้วนะท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจปลืม้มเข้าใจลาท่านนะท่าอเออเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเอาลาท่านมานะขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟพอรถไฟวิ่งเท่านะั้นใจหายเลยท่านบอกให้ดูจิตตัวเองจิตอยู่ที่ไหนก็รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่ ร, มรู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วดัานบอกว่าเข้าใจ เนี่ยความปลืม้มตกใจนะตกใจไม่รู้จะทํำยังไงลนะตกใจพูดโทรไว้ก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไว้ก่อนนี่คือหลักของการปฏิบัตินันนยงนะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไว้ทำสมาธไว้มันเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเรานะนม้จิตมันเดินเข้าร่องของการภาวนามาเป็นลําดับลําดับเราก็หายใจเข้าพูดออกโทรพอจิตสงบแนละ้วคราวนี้ ไม่ตกใจแล้วมาใช้สติปัญญาคิดคิดนะคิดพิจารณาท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่อยู่ที่อื่นเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายนี่คือหลักของการภาวนาอีกข้อหนึ่งใช่อย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจตัวเองนี่เองอย่าเรียนออกนอกนะเรียนไม่ให้เกินกายนะจะคอยดูอยู่ในก่นะี่คราวนี้เที่ยวหาจิตนะจิตอยู่ที่ผมรือเปล่า ม, นะมือรูปผมเลยดึงเลยนะผมยาว ไม่มีจิตในผมในขนมีไหมดึงขนตาไอ้ขนคิ้วดึงขนตาอย่าไปดึงนะเดี๋ยวตาเลยดึงดึ ง, ดงไม่มีมีจิตนะไล่ไปตามร่างกายเป็นส่วนๆนะไล่ขึ้นไล่ลงรู้แต่ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่อยู่ตรงไหนของร่างกายหาไม่เจอสักที่หนึ่งจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันนี่ปิ๊งขึ้นมานะจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวจิตต้องเป็นเรื่องนมามธรรมอันนี้ดูนมามธรรมบ้างนะดูความรู้สึกสุข นั่งนั่งทำใจสบายมีความสุขขึ้นมาดูไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานะคราวนี้นั่งนานมันเมื่อยมันปวดนั่งดูความปวดความเมื่อยนะนั่งนานมากเลยหายปวดนะปวดก็นั่งนานนานก็หายได้นะเพราะปวดก็ไม่เที่ยงหรอกความปวดหายไปนะไม่เห็นมีจิตเลยไล่อยู่ในเวทนานะในกายเวทนาใ น, ในใจก็ yup. ไม่เห็นจิตหรือว่าจิตเป็นความคิดคิดอย่างนี้นะว่อจิตเป็นความคิดพามันคิดเลย คิดบทสวดมนต์พุทธโธสุดสุดโธกรุณามหันโนโวนี่หลูกพ่อรักพระพุทธเจ้านะเวลาคิดถึงเบทสวดมันก็คิดถึงบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหนันนบพุทธโธสุดสุดโธกรุณามหันโนโวอันนี้เห็นความคิดนะั้นมันผุดขึ้นมาความคิดมันผุดขึ้นมาจากความว่างเหมือนงูเลื้อยออกมาจากความว่างๆนะเลื้อยปรือออกมาจิตไปเห็นเข้าเนี่ยจิตดีดตัวพังออกมาเลย ไม่รู้หลักอีกนะคำจริงง่ายนิดเดียวเลยต่อไปอ่ะถ้าจะให้เป็นผู้รู้นะรู้ทันจิตที่คิดนัจิตผู้รู้ก็เกิดละตอนนั้นเที่ยวคลําอุตรุษไปเลยแล้วไปฟลุกเข้าไปดูความคิดจิตมันคิดเห็นจิตมันคิดนะไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเห็นกระแสของความคิดไหลขึ้นมาไปจิตไปรู้ปั๊บกระแสความคิดดับปั๊บเลยผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยเนี่ยหลวงพ่อเตียนถึงสอนนะว่าถ้ารู้จิตคิดนะถ้ารู้จิตที่คิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ เราก็ไม่รู้ว่าทําอย่างนี้นะตัวผู้รู้เกิดขึ้นเพราะมันเกิดตัวผู้รู้ได้แวบเดียวมันก็รวมเข้าไปการรวมอีกแล้คราวนี้ดิ้นรนอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งนะคงไปฟลุกเจอ ấy, จิตคิดนี้อีกก็หลุดออกมาได้คราว น, นี้หลุดออกมาได้2อสนาทีหรือ4ีหนาทีประมาณนี้นะ ก, ก็ไปรวมอีกก็ฝึกไปนะอีก5วันถ้าหลุดออกมาต่อไปค่อยจับหลักได้นะรู้ทันจิตคิดนี้จิตรู้ก็เกิดพอได้จิตรู้แล้วคราวนี้ประคองแล้ว หลวงปู่ให้ดูจิตเนี่ยเราต้องเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่หลวงปู่ว่าทําผิดนะไปประคองจิตเอาไว้ทําผิดอีกบอกให้ดูจิตไม่ได้ให้ไปประคองนะไม่ให้ไปยุ่งกับอาการของจิตอาการก็คือจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งไปยุ่งกับมันไม่ให้มันดิ้นรนปรุงแต่งให้มันสงบให้มันนิ่งลูกเดียวเนี่ยบางคนสอนดูจิตสอนผิดนะสอนมาให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยไม่เดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาแลี่ดูจิตมันทํางานไป ไปหาท่านอีกครั้งที่สองนั้นท่านบอกว่าดูผิดแล้วไปยุ่งกับอาการของจิตไปแก้อาการทําให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเท่า น, นั้นเองเฮ้ท่านไม่ให้ไปยุ่งกับอาการนั้นะต่อไปนี้ไม่ไปดัดแปลงมันมันเป็นยังไง ร, รู้เป็นอย่างนั้นเลยมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ดูอยู่อย่างนี้นะเห็นมไหมการภาวนาเนี่ยต้องได้หลักนะหลักอีกข้อนหนึ่งก็คืออย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเรื่องของสมถะ นะถ้าอยากเดินปัญญาก็ปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตามรู้มันไปจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาคราวนี้ก็ดูไปจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทงานไปเรื่อยก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารก็คือความปรุงดีปรุงชั่วนะไม่ใช่เราตัวจิตเองก็เกิดดับเห็นอย่างนี้เรื่อยซ้าแล้วซ้ำอีกนะ ก็ฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วแต่บุญวาสนานะแล้วแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกก็ฝึกเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ทุกองค์เลยครับ